รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนฟุ้งซ่านตลอดกรณีเฉพาะตนของสาอาชีพการท่องเที่ยวลักษณะางานที่ทำติดต่อกับใครต่อใครตลอดเวลาและต้องคิดงานใหม่ๆเสนอลูกค้าด้วยคำถามแรก ช่วงหลังแม้พยายามทำสมาธิแต่ยังคงฟุ้งซ่านไม่เลิกไม่นิ่งเลยโดยเฉพาะท่านั่งที่บ้านจะหลับแต่เวลาไปที่วัดจะทำได้ทำอย่างไรถึงจะนิ่งได้เรื่อยๆอันนี้ต้องมองก่อนครับว่าโดยธรรมชาติแล้วยิ่งติดต่อกับคนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มจะฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้นการติด ต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาไม่เป็นเหตุใกล้ให้จิตนิ่งสงบขอให้สังเกตเถิดเมื่อต้องเจรจากับใครนานๆหรือยิ่งถ้าต้องสลับสับเปลี่ยนเวียนหน้าสนทนานกับคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆพอมองเข้ามาที่ความรู้สึกภายในจะคล้ายมีมเมฆหมอกค่อยๆโรยตัวลงมาปกคลุมหนาทึบขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องพูดในเรื่องที่ไม่สนุกน่าเบือ่อวกวนหรือคุณกาลังคร้านที่จะคุย แต่ก็ต้องขยับปากตามบทนานไปคุณจะรู้สึกคล้ายตื่นแค่ครึ่งเดียวคือมีสติสักแต่เอาไว้คุยกับคนแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวหายไปหมดแต่คุณเปลี่ยนความจริงที่น่าเบื่อให้กลายเป็นของสนุกได้เพียงสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อใดจิตของคุณติดแน่นอยู่กับความคิดสื่อสารโลกทั้งใบเหมือนจะหายไปเหลือเพียงกลุ่มเมฆหมอกที่กาอตัวขึ้นจากการพูดคุย และจิตจะพลาเลือนอยู่อย่างนั้นไม่ออกมารับรู้ความมีอยู่ของสรรพสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสนทนากล่าวคือถ้าตาจะเห็นก็เห็นเฉพาะสีหน้าท่าทางของคู่สนทนาถ้าหูจะได้ยินก็ได้ยินเฉพาะข้อความสำคัญของคู่สนทนาส่วนใจจะวกวนอยู่กับข้อเรื่องที่สนทนาบ้างวกแวกไปหาเรื่องน้นเรื่องนี้เพื่อหลบหนีข้อสนทนาที่ไม่น่าสนใจเสียบ้าง เมื่อเห็นเข้ามาที่จิตได้สักวันหนึ่งคุณจะพบความจริงที่ไม่เคยพบนั่นคือจิตของคุณหมกจมอยู่กับเมืองในหมอกเกือบทั้งวันกับทั้งจะเริ่มเห็นตามจริงด้วยว่าถ้า8ดชั่วโมงถูกฝังให้หมกจมอยู่กับเมฆหมอกความคิดอย่างนั้นก็อย่าหวังว่าจะถอนจิตขึ้นมาเห็นเดือนเห็นตะวันได้ด้วยเวลาเพียงหนาทีที่สวดมนต์หรือนั่งสมาธิของมันสู้กาลังกันไม่ได้ เพื่อจะไม่ให้จิตจมอยู่ในเมฆหมอกคุณต้องถอนจิตออกมาจากเมฆหมอกบ่อยเท่ากับที่เมฆหมอกโรยตัวลงมาปกคลุมจิตของคุณเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆคล้ายคุณเท ก, กาวหมดขวดลงกลางกระหม่อมและละเลงจนเหนียวเหนอะหนะไปทั้งตัวตกเย็นจะอาศัยเพียงแชมพูกับน้ำอย่างละสองสัหยดมาชำระล้างคงไม่ไหวแต่ระหว่างวันหากมีกาวหยดลงมาทีละแมะสองแมะ แล้วคุณได้น้ำมาชะล้างออกไปทันทีไม่ปล่อยให้เกาะกลุ่มเหนืดเหนียวได้เสียก่อนศีสะก็จะโล่งโปร่งไม่เหนืดน่ะและแทบไม่ต้องมาพยายามขยี้ออกด้วยแชมพูในภายหลังเลยด้วยซ้ากล่าวเช่นนี้คุณคงตรหนักแล้วว่าการนั่งสมาธิหรือเข้าวัดเข้าวาที่ผ่านมานั้นนับเป็นการแก้ความฟุ้งซ่านที่ปลายเหตุแก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่หากรู้วิธีเจริญสติของพระพุทธเจ้า ก็จะแก้กันได้ที่ต้นเหตุโดยตรงยอมได้ผลถาวรต้นเหตุของความฟุ้งซ่านมาจากไหนต้นเหตุของความฟุ้งซ่านที่แท้จริงหาใช่อยู่ที่การพูดคุยบ่อยๆไม่แต่อยู่ที่การพูดคุยอย่างขาดสติตั้งหากวิธีการพูดคุยอย่างมีสติทำอย่างไรหลักการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ครับ ก่อนอื่นให้ฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจและอิริยาบถเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อมีลมหายใจและอิริยาบถเป็นที่ตั้งของสติคุณก็มีสติขนาดพูดคุยได้ไม่ยากเลยการอยู่กับลมหายใจและอิริยาบถไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดทั้งหมดอยู่ที่การสร้างความเคยชินทีละเล็กทีละน้อยโดยใช้ที่นั่งหรือที่ยืนทางานของคุณ น, นั่นแหละมาเป็นจุดเริ่มต้นฝึก ต่อไปก่อนเริ่มเจรจากับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานขอให้แน่ใจว่าคุณหายใจอย่างรู้สักครั้งหนึ่งเอาแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ใช่คิดทำสมาธิเกรงตัวให้รู้ลมต่อเนื่องนานนาการหายใจอย่างรู้คือการเห็นง่ายง่ายอย่างเป็นธรรมชาติสักครั้งหนึ่งว่านี่เรียกหายใจเข้านี่เรียกหายใจออกเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปควบคุมบังคับ เมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกหนึ่งระลอกให้สังเกตเข้ามาจะพบว่าคุณสามารถรู้อิริยาบทปัจจุบันได้ง่ายเห็นถนัดโดยไม่ต้องออกแรงมากมายว่ากระดูกสันหลังกำลังตรงหรืองอขอกำลังตั้งหรือเอียงนั่นนับว่ารู้สึกถึงอิรยาบทอันเป็นปัจจุบันแล้วจากนั้นเมื่อต้องพูดคุยก็ให้พูดคุยไปตามปกติ เพียงแค่พูดออกมาจากความรู้สึกถึงท่านั่งในปัจจุบันอย่าพยายามฝืนให้ผิดปกติใดๆพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดข้อความสื่อสารในหัวและจึงค่อยสังเกตว่าณจุดที่หยุดพูดนั้นคุณยังรู้สึกถึงท่านั่งได้ไหมหากรู้สึกถึงท่านั่งได้เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมก็แปลว่าคุณพูดอย่างคนที่จเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้ว ทำได้เพียงครั้งเดียวคุณจะพบว่าครั้งต่อๆมาก็ทำได้และเพลิดเพลินขึ้นเรื่อยๆเพียงวันเดียวคุณจะรู้สึกอย่างชัดเจนว่าฟุ้งน้อยลงหรือแทบจะเป็นสมาธิเองโดยไม่ต้องกำหนดบริกรรมใดๆนั่นเพราะคุณใช้การพูดคุยกับผู้คนเป็นเครื่องมือทำสมาธิไปในตัวทั้งวันอยู่แล้วพูดคุยอย่างมีสติสักพักหนึ่ง สิ่งที่คุณได้มาจะยิ่งกว่าความฟุ้งน้อยคือในที่สุดจะเกิดประสบการณ์เกินคาดอย่างหนึ่งได้แก่การพูดด้วยพลังสติเหมือนมีตัวอะไรตัวหนึ่งพูดพูดไปแต่จิตแยกออกไปเฝ้ารู้อยู่ที่เบื้องหลังเป็นคนละตัวกับตัวที่พูดพูดเบื้องหน้าพลังสติที่ว่านี้คุณตั้งใจสร้างขึ้นด้วยเวลาอันสั้นไม่ได้ต้องอาศัยการสั่งสม กับทั้งต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในการเจริญสติเดินสติไปในทิศทางที่จะลดอัดตราตัวตนลงแต่จะนานเพียงใดก็คุ้มเพราะคนที่คุยกับคุณจะรู้สึกดีกับการสนทนาที่เป็นไปอย่างมีพลังและเบาสบายนอกจากนั้นนะครับการคิดงานเสนอลูกค้าจะปล่อยแปลกใหม่และได้ผลจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเพราะไอเดียดีที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้ อาจผุดขึ้นขณะกำลังพูดคุยอย่างมีสตินั่นเองคำถามที่2ใจคอยคิดแต่โกรธคนที่ทำไม่ดีกับเราอยู่ร่ำไปอย่าลดตรงนี้ให้ได้เพราะอย่างไรก็ต้องพบปะกับคนที่ทำไม่ดีกับเราอยู่เรื่อยๆขอคำแนะนำด้วย ยิ่งคุณทำงานกับผู้คนมากขึ้นเท่าไรก็เป็นธรรมดาที่จะต้องรับแรงกดดันมากขึ้นเท่านั้นขอให้ดูใจที่รู้สึกถึงแรงกดดันเป็นขณะขณะคุณจะพบว่าทุกแรงกดดันที่อัดเข้ามาทำให้เกิดปฏิกิริยาเป็นความไม่ชอบใจเสมอความไม่ชอบใจจะพุ่งถึงระดับของความโกรธเมื่อคุณรู้สึกว่าเหลือจะรับและยิ่งถ้าเป็นความรู้สึก เหลือทนแต่ต้องทนก็จะยิ่งอัดอั้นเหมือนอยากระเบิดแต่ไม่อาจระเบิดต่อหน้าต้นต่อหากอยากใช้งานของคุณเป็นเครื่องมือฝึกสติก็ขอให้มองว่าผู้คนมีแรงกดดันแฝงอยู่ในตัวเองแรงกดดันนั้นอาจมาในท่าทางเร่งเร้าเพราะอยากได้อย่างใจหรือไม่ก็มาในท่าทีขัดเคืองเพราะไม่ได้อย่างใจจากนั้น ให้มองว่าเป็นธรรมดาที่คุณต้องรู้สึกถูกกดดันจนเหลือจะรับบ้างเหลือทนแต่ต้องทนบ้างสังเกตให้ได้อย่างนี้คุณจะลืมเรื่องกโกรธเรื่องแค้นหรือกระทั่งการผูกใจเจ็บไปสนิทเพราะเกิดสติหันมาเห็นภาวะกดดันและปฏิกิริยาทางใจที่มีต่อแรงกดดันไปแทนพูดง่ายทำยากครับแต่ทาได้แน่ถ้าลองเล่นๆอยู่เรื่อยๆไม่เลิกในที่สุดคุณจะพบว่า การฝึกสติรู้ทันความกดดันในที่ทำงานนำความสุขอย่างใหญ่หลวงมาให้สุขใดมีอยู่แล้วก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่สุขใดยังไม่เคยรู้จักก็จะได้รู้จักมากขึ้นและมีที่สุดเป็นนิพพานครับ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 ที่ได้แล้วได้เลยไม่มีทางเสียให้ใครอีกอบทความจากจ น, า น, นิจริาสารธรรมมากล้าตัวฉบับที่39 อ, อ่านโดยโจโชหรืออนุสรนตรีโซภาชั่วดีสร้างเงาหลอกล้อนในตัวตนมืดมน